เราถึงแบบเจอฉานนะเขาก็บางตัวก็น่ารักนะบางตัวก็บอกยากนะต้เหมือนคนบางเหมือนกันใช่ไหมก็ตัวบางคนนะก็ก็น่ารักบางคนก็บอกยากนะหรือนะหรือว่าก็ถือว่าแบบด้านเลยจริงก็ มันเป็นเรื่องเฉพาะคนนะเรื่องเฉหาคนุคคลในเราเรียนก็เหมือนกันเรบสังเกตบางเรื่องมันก็ง่ายสำหรับเราบางเรื่องมันก็ยากสำหรับเราเรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะเราเคยทำมาบ่อยหรือว่าเพราะเราจิ้กับกับการจะทํนำนั้นะแต่บางเรื่องมันก็ยากนะสำหรับเราเพราะว่า เราไม่เคยชินกับมันนะเราไม่เคยผ่านมันได้นะมันก็เราดูแต่ถ้าใครนะถ้าใครมีเรียกว่าทําดีง่ายนะทาชั่ว ย, ยากเนะี่ยก็ถือว่าถือว่าเรามีพื้นฐานที่ดีนะแต่ถ้าใครทําดียากนะทาชั่วง่ายนะก็นะังแสดงว่า มเราก็เกิบด้านไม่ดีมาเยอะทีพระเจ้าัราก็จะเข้าเสียอย่างง่ายเลี่ยเราดูคนดีคนไม่ดีหรือที่ไหนลองดูนะถ้าทําดีง่ายทําชั่วยากเรียกว่าคนดีก็ได้ถ้าทําชั่วง่ายทยําดียากเรียกได้ว่าคนชั่วก็ได้แต่มันก็มันก็เป็นเพียงแค่อดีต หรือว่าในปัจจุบันของเราตอนนี้เนาะแต่ถ้าเราตั้งใจนะที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากที่ เ, เคยทําดียากนะกลายมาเป็นทาดีง่ายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนดีได้นะแต่ที่เคยทาชั่วง่ายกลายเป็นทาชั่วยากเนีเราก็จะมีสิ่งขึ้นมาเราก็จะมีความละอายแก่ใจขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นคนดีขึ้นมาแล้วแต่ พระพุทธเจ้านะทางก็ได้สอนเป็นแค่ว่าให้ละความชั่วให้ทำความดีใช่ไหนเะพราะคำสอน ท, ที่สูงขึ้นมาที่ทำให้พระพุทองเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำกิจให้บริสุทธิ์ทำกิจนะให้บริสุทธนะิ์คือตรงไหนที่จริงขอบกุณเจ้าท่านตัดสู้ท่านค้นพบทำมาท่านก็พบว่าอะไร เพราว่าที่จริงปิดพวกเรามันสะอาดบริสุทธอยู่แล้วแต่เียดจากว่าพอเราลืมพอเราหลงมันก็เลยโก๊ะโปกะนะมันก็เลยถูกกิเลสครอบงำแต่ไท้ทจริงแล้วปิดของเรามันสะอาดอยู่แล้วนะอย่างศาสนาพุทธจะสอนต่างจากอย่างเช่นคิดศาสนาิทีอ่อย่างคิดเขาสอนให้อ ให้เราไปล้างบาบ่่ที่บ้านเราเกิดมามีบาติดตัวอมีบาติดตัวนั้นเราต้องต้องเองทำวิธีล้างบาบแต่บางีชาวพุทธเราก็ไปเชื่อใช้ายแบบนั้นนะแต่ที่บ้านเราเกิดมาเรามีกรรมติดตัวเกิดมาเพ่ใช้กรรมเกิดมาใช้เวทใช้กรรมเจออะไรก็หรือว่าจะใช้ไปอันนั้นก็าเป็นความ ความเห็นที่มันไม่ตรงนะความเห็นที่เแต่ถ้าเราลองตั้งใจใหม่นะถ้าเราดูดีๆที่จริงเราเกิดมานะเพื่อจะมารู้ธรรมมากกว่านะเกิดมาเพื่อเราจะได้พ้นจากจากเรียกว่าวัตฏะแห่งกรรมนะถ้าเราเกิดมาเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อเจะพ้นอย่ากนั้นชีวิตของเราจะมีพระดำ แต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้ใช้ทำนั้นกรรนะ็เหมือนมันก็มนไม่ค่อยมีความสุขนะแต่ถ้าเราคนพัฒนาชีวิตเนะียเรามีเป้าหมายนะอย่างที่าจะแจกสุนทรร่าน์ในเท้าถ้าเรามีชีวิตชีวิตเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะทําความทุกข์ให้มันสิ้นะหรือว่าเขถึงความสุขที่แท้จริงนะชีวิตแบบนะี้เราจะมีพลังในการทํานะ นอกจากเราไม่ทำความชั่วนอกจากเราทำดีแล้วเราก็ต้องฝึกนะให้รู้เท่าทันกิเลสจิตในหลายอย่างที่บางทีเราก็ไม่ทันมันนะหรือมันเป็นสิที่ะเอียดมากขึ้นนะนเราก็ต้องฝึกให้มันเขียนตัวเองนะบางทีพอเราไม่เข้าใจเรื่องความสุขเราไม่เข้าใจเรื่องความพุ๊์เราก็เลยคิดว่านะ อันเนี้ยมันเป็นความสุขที่มันจะไม่ทุกข์จริงจริงมันเป็นสุขที่มันพร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็ได้นะบางทีความเฉลิแต่องนะความเพลิดเพินความพอใจนะเคยไหม้ครับเคยไหยพอใจจริงใดเช่นพอใจใครสักคนพอวันหนึ่งมันก็เกิดเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจแล้วก็มี บางทีความพอใจมากๆก็อาจจะเกิดเป็นความไม่พอใจมากๆก็ได้เราเคยรักสิ่งใดมา ก, กมาพอมันหายไปแล้วก็เสียใจมากนี่ดังนั้นบางทีความสุดที่เกิดจากวัตถุสิ่งของภายนอกบางทีมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจก็ได้นะถ้าเราวังใจไม่เป็นแต่ถ้าใจเราวางไม่ถูกอ่ะนะ กอนที่เรามีตอนที่เราอยู่กับเขาอยู่กับมันนะเราก็อยู่ น, นะนอย่นะอยางรู้เท่าทันนะว้าพอเขาจากไปพอหายไปพอเสียไปเราก็ยอมรับได้นะเราก็มองเป็นธรรมดาของชีวิตได้นะมันก็นจะมีฟุมงเนานะแต่ถ้าจิตนะถ้าจิตเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะฟุ้เพรองความสุขที่เคยมีมาหายไปนะเพราะสิ์ที่พอใจ เราไม่รู้ทันว่าการปลอยใจมันก็เปลีป่ยนแค่อารมณ์หนึ่งจิด ก, ก็คราอมที่จะเปลีป่ยนได้เปลี่ยนเป็นความไม่ปลอยใจก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่บางทีอารมณ์เราก็เปลี่ยนได้ใครมีรูปนะน่าจะเห็นนะวันวันเราก็รักรูปไม่เท่ากันนะวันนี้รูปเรียบร้อยรูปน่ารักนะ เพื่การดีเชื่อฟังดีลูกก็เหมือนเป็นเทพประบอกหรือว่าเป็นเทพทิดาอะไอืมฟ้องวันดื้อบอกยากนะก็รู้ใครว่ะอ่ากุตาบอกกุศลเร า, ามไม่เชื่อฟังนะก็ไม่ใช่ไม่รักนะแต่ก็เชียด้วยความไม่พอใจเชื่ด้วยความโกรธนะอืมหรือพ่อแม่เราต้องเหมือนกันนะบางครั้งท่านก็น่ารักนะ ดีแต่บางครั้งพอคนแก่ปวดหิน ห, หรือว่ามีโครคภัยไข้เจ็บก็ก็บคูดไม่คปอยฟังบ้านบานะงทเาีเก็เสิ่อมหินไปอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ักนะไม่ใช่ว่าเราจิตใจของเราเป็นไม่ดีไม่ใช่นะอนะแต่ที่จริงคนอื่นเขาก็เปลี่ยนผิดเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าเรามองเห็นนะที่จริงธรรมชาติของจิตเขาเปลี่ยนแปลงสแสดง แต่จะทํานตลอดเวลาเลยนะถ้าเราเห็นนะ้โหโคตรแค่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในจิตใจเรสังเกตจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจะเอาจริงเอาจำตัดมันไม่ได้หรอกใครเอาจริงเอาจำตัดทินงมีแต่จะทําให้เกิดความฟุ้งเอาจริงเอาจำอย่างนี้ก็จะเป็นยีด เราไปคิดว่ามันจะต้องคงที่หมายถึงว่ามันดีก็ต้องดีตลอดประมาณนั้นหรือว่ามันสุขก็จะต้องสุขตลอดมันสงบมันก็จะต้องสงบตลอดประมาณนั้นเรารับคนนี้ก็ต้องรับคนนี้ตลอดประมาณนั้นหรือคนนี้รักเราเขาก็ต้องรักเราตลอดที่เราเอาเป็นจริงจำเกินไปนะไปคาดหวังไปตั้งค้อยบางไว้ อาจจะฝันหวังก็ได้อาจจะปิดหวังก็ได้นะแต่ถ้าเราลองดูมันจริงๆนะการภาวนาทเท่านึง น, นอกจากเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไในจิตใจนะดูมันไปดูมันแบบมาสังเกตก็ดูนะอคล้ายๆมันก็เหมือนเรือดูการเขาทดสอบความจริงนะเดี๋ยวก็ ร้อนเดี๋ยวล้หนาวเดือกแล้วฝนเดือกแล้แดดออกเดือกแล่วร่มคลึะเดี๋ยวก็วใบไม้ผลิใบไม้รว่วงต้นไม้เดือกแล้โตเดี๋ยวก็ตายนะทุกสิทุกททอย่างนะเขาแสดงแบบนะ้ตลนะอดเวลาแต่สิ่ที่มันแสดงการเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าก็คืงในใจของเราอนะไราัแต่ตืขึ้นมาถึงตอนเนี้ยนะประมาณห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะ ใจเราเหมือนเดิมไหมตื่นเช้าขึ้นมาเป็นแบบไหนบางคนอุดติดงูเงี้ยบางคนเบิดบานเปิดไส่มาทำบ้านเช้าเราสวดมนต์ไป่านจริงอ่ะใจเราอยู่กลางกลางสดมนต์ตลอดน้อยถ้าเราช่ยดีบางคนปาดพูดเปิด ม, มนต์เปิดมนต์ออกเสียงไป แต่ใจก็สวยดีหมด น, นึงนะ <c oughs> ใจเรื่องคิดไปอยู่แบบนึงก็มีนะอก็พูดไปได้น่ะออกเสียงไปได้เแ็่ใจก็วอกแรกไปที่อื่นบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะเราให้เห็นว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นก็มันเนาะไม่ใช่ว่ามันจะต้องนิ่งตลอดแต่พอเราประมาอยู่ ก, กับการเปิดเงินใหม่ค่ะมันก็ไปไม่ไปก็กลับมาแล้วหรือเราไปเจอ เราได้เห็นไหมนะแต่เราก็ไปหาต้นไม้หานกหาบ้านหนะหาหลายอย่างแต่พอเรากลับมาเออใจเรากลับมาได้ไหเนะีนะ่ยเราก็เห็นนะกินข้าวนะขับไปที่พักทำอะไรนั่นะเรารู้ตัวแต่ไหมเราทำอะไรเราก็รู้ตัวเรารู้ตัวหมายถึงรู้ตัวว่าเราหลงไปหรือว่ารู้ตัวว่าเราก็ไม่หลงไป เราก็รู้ตัวของเรานองแนนมันก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยมั้งก็อยากให้เราได้ลองใช้เวลาภาวนาให้มากๆแล้วก็ลองหลายคนอาจีะเคยฝึกวิธีคือนนะอย่างสมาองก็มุ่ง่าย็พูดให้ฟากบ้างมาก็เคยฝึกแบบบริกรรมแบบพุทโธก็เคยหรือว่าอานาปานสติแบบดูลงหายใจธรรมดาก็เคยนะนะ เราก็นั่งตับตาเราก็นั่งสมาธิก็เคยก็เคยทําอยู่แต่บางทีถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำต่อบางทีมันก็ได้เพียงแค่พอสงบเป็นบางทีเราก็ทำจนสงบนี่มีนิมิตน่ะนิมิตเป็นนั่นเป็นนี่บ้างหรือนิมิตตัวเบาต ja. ัวใหญ่ตัวลอยอยู่นะ สงบนิ่งหายใจก็เหมือนไม่หายใจนะแต่ไม่ไม่ตายนะมันก็นิ่งจนรู้สึกลมหายใจก็แผ่วเบาจนจนเหมือนไม่หายใจเหมือนนิ่งแต่ก็โดยรู้โ ด, ย, ดยสมองอยู่ว่ามันคงหายใจอยู่แต่มันไม่รู้สึกนะคือลมหายใจสงบขนาดนนะั้นถึงทีนัง่งในกุฏิก็เหมือนตัวเราคัดกุฏินะ หรือว่านั่งอยู่บนพื้นแท้ๆก็ที่ว่าตัวจะลอยแบบนั้นก็มีหรือบางทีมันต้องเหมือนมีพิกเส้นบางอย่างนะที่มันไปรู้ล่วงหน้าบ้างนะรู้เหตุการณ์บางอยา่างแต่รู้ทั้งหมดนะมันก็ถ้าจะศึกจริงมันก็ไม่ได้เป็นสาดละที่จะทําให้เราพ้นจาความทุกข์จรนะิงนะส่วนใหญ่มันไปรู้แล้วมันไปผ่อนใจนะ พอใจที่เราได้เห็นสิ่งแปลกแปลกไปรู้สิ่งแปลกแปแต่จริงสิ่งแปลกแปลกพวกนั้นนะมันไม่ใช่สาระที่จะทําให้เราอ่าพ้นจากทุกเลยแต่บางทีถ้าเราไม่ทันมันมันจะตายเป็นเราไปไปติดใจมันพอเราไปติดใจมันเราก็เหมือนเราอยากได้อีกเราอยากจะรู้แบบนั้นอีกเราอยากจะได้แบบนั้นอีก กลายเป็นเหมือนติดใจนะพอใจนะวันไหนได้ก็รู้สึกดีวันไหนไม่ได้รู้สึกไม่ดีฉะ น, นั้นภาษาพระเาเรียกว่าเป็นเป็นมนิจฉาหรือว่าเป็นอาการของของความสงบแบบสมาธิที่ไม่ได้มีปัญญามากำกับบางทีมันก็มีนะมรับที่ก็มี นะก็อยากให้ลอบรนะักกันนั้นเป็นก่อนนะเพราะว่ามันทําไปแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เข้าถึงนิพพานหรือว่าไม่เข้าถึงความไม่กลุนะ้มันเป็นเพียงแค่เห ม, มือนความสนุกคล้ายๆเหมือนอาจจะแปลกกว่าสานะ้นใหม่นะเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะถามว่ากลับมาจากการไปเที่ยวรเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง ก็อาจจะมีนะถ้าเราไปแล้วเราได้เรียนรู้บางอย่างเราได้เปลี่ยนพัฒนคติในตัวเราเราได้ฝึกบางอย่างกับตัวเรามากขึ้นอันนั้นมันถือเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเพียงแค่ว่าได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกตาได้ไปกินสิ่งใหม่ๆแต่ถ้ามันยังไม่ได้เปลีป่ย น, นถึงจิกถึงใจเรามันก็มันก็แค่ได้ไปเห็นหรือได้ภาพกลับมาได้ของปากกลับมา นิมิแสงสเลีลล้ยงความรู้แปลกๆเพราะนั้นต้องเหมือนฉันนะอ่ามันก็เปี่ยนแค่เห็นเปลียนแค่รู้แต่ถ้ามันยังไม่ได้ทําให้จิตของเราเห็นเห็นว่าอะไรเป็นฟุกจริงๆหรือว่าเปลี่ยนทางดัดฟุกจริงๆนะต้องลองมันมันไม่ได้พ้นจากความฟุกนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะสอนเรื่องฟุกกับเรื่องความดัดฟุกนะ พระเจ้าท่านบอกว่าทุกคืออะไรนะท่านก็เลยชีย้ให้เรากลับมาดูว่าเนะ่ยเอามาใกล้ๆตัวเลยคือกายกับใจของเราท่านก็เลยให้เราดูทุกที่การที่ใจของเรานะไม่ใช่ไปดูข้างนอกนะอ่านมะิมิกนี้ก็เป็นข้างนอกอ่านะแต่ปีเตียนก็เป็นข้างนอกนรกสวรรค์ก็เป็นข้างนอกตัวนะแต่การกลับมาเห็นตัวเองเน่ การมาเห็นกายมาเห็นใจนะมันจะทําให้เราไปใช้เรียนรู้ปบทเรียนที่ได้พัฒน์ ป, ปุ๊มันเห็นมันถึงจะวางนะมันถึงจะผลถ้าไม่เห็นว่ากายหรือใจมนะันเป็นปุ๊บ น, นะมันก็จะยึดมันก็จะแบกนะมันก็จะไม่อยากนะไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะผลจะมาพื้นดี แต่บางทีเราก็เห็นกายเราพุทธนะแต่มันก็จะเป็นคิดว่าเป็นกายของเราอ่า <c oughs> พอที่มันเป็นกายของเราเราก็เลยหวงแหนเราก็เลยพยายามรักษา ม, มันสืบชีวิตมาแต่ถ้ากายนี้สุดท้ายแล้วมันมันก็รักษายไม่ได้ถ้าใจเรา ย, ยังยึดมากหรือมากแต่มันมากเราก็พุทธมากเนาะแต่ถ้าเรา ลองรักษาห่วงแหนเขาแบบเรามีจิตที่มันคิดต่าง น, นะคิดต่างก็คือเราไม่ได้มองว่าเป็นของเราแต่เรามองว่าเหมือนคล้ายๆเรายื่มของเขามาใช้มันจะต่างกันนะเหมือนเขาต้องบ้านของเราเนะี่ยกับเราไปไปเช่าบ้านหรือเราไปพักอีสวานเะนี่ะ คอรู้สึกคอรู้สึกปุกบสุบเวลาเราพักมันมันจะคอยเราพักมีซ่อนเราพักที่อื่นมัปรู้สึกสบายไหมเพราะเรารู้สึกไม่เป็นภาระท่านบ้านของเราเนี่ยเราต้องคอยเช็คสูรักษานั่นนี่หลายๆอย่างนะมันก็เป็นอะไรนะจะคอยเราเป็นพักลงแรงมีพักซีซอนก็เราต้องเช็คพักก็ดูแลกินให้่อยอยู่ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องว่าก็จะลงพื้นลงแรงประดับประดาสมันมากใช่ไหมเรก็แค่พักมนะันร่างกายของเราก็เหมือนกันนะน้องคนต้องวิธีก็จะเองต้องหุ่นผู้หญิงก็ต้องวิธีว่าหุน่นสวยๆเป็นแบบนี้ผู้ชายก็วิธีว่าหุ่นหล่อๆเป็นแบบนี้นะก็ตัว อ, อย่างสร้างนะด้างภาพเองให้ดูดีนะแต่จริงมันก็สือ เราก็พยายามสร้างสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะรักษาได้นานครับก็จะเป็นแค่เครื่วงเค้าเท่า น, นั้นเนี่ยพุิการเกิดสอนที่เราเห็นว่าเนะี่ยกายใจมันเป็นแบบห น, นที่แท้จริงนะเราสั่งมันได้ไหมเราลองคัดมันได้ไหมนะมาลองเรียนรู้ดูมันแต่แล้วก็แต่พุทธกางตายเนะี่ยมันไม่มีใครที่จะรักมันได้เป็นขาดนะพราะพุทธเจ้า ก, ก็รักไม่ได้นะ บางครั้งท่านก็อาพาธนะอาพาธก็คือป่วยไม่สบายแต่บางครั้งท่านก็ใส่ใจนะคอยรักษาอาพาธของของร่างกายก็มีแต่บางขณะก็รักษาไม่ได้ก็มีนะมีกรณ์หนึ่งผู้เจ้าก็อาพาธหนักเหมือนกันก็ให้ทัดพระจุนลนะนั่นทะ่าสนสวดโทษถมให้ฟัง เขาสวดเป็นภาษาบาลีท่านก็เข้าใจดูความหมายนะครก็โพชดงคก็คือการทำที่ทำให้เกิดการตัดเซลูพรเจ้าก็ได้ฟังบทธรรมที่ทําให้เกิดการตัดเซลูตั้งแต่สติขึ้นไปนะเพราะนั้นท่านก็หายอากาตหายปวดนะพอพอใจมีความสุขมารองเลี้ยงนะอาการอักพาตของกายก็เลยก็เลยหายไปแต่ก็ไม่ใช่เจ็ด คุพังนะพอตอนสุดท้ายมันก็อ่านภาพแล้วก็สตินิพพานไปก็มันก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่คือมันก็เห็นว่ากายนะมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มันเพียงแค่อาศัยได้ชั่วคราวนะอืมแต่เ้าก็ต้องอาศัยแล้วก็ดูแลอย่างดีแหละแต่ก็แต่เราตีคิดตียึด็นหงษ์แหนทศาไาตลอดมันจะเป็นเหตุให้เกิดภูมิครนะับเราก็ต้องดูแลมันไป เหนียวก็กินเหนื่อยก็พักร้อนก็หลบนหนาวก็ห่มผ้าแล้วก็รักษาตรนี้นะเราฝึกเราฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์เล็กเราจะต้องเป็นคนที่ทนทายาดนะไม่ใช่นะบางทีแต่ที่บอกว่าให้คนสักหน่อยเนม่ไม่ว่าคนเดินะทั่งแบบเราต้องเตือนเราต้องเตือนคนอื่นนะ แต่คำว่านทนก็หน่อยคือว่าเพราะบางทีด้วยความกิเลสนะมันจะไม่ก็อยากอดทนนะมันจะอยากเข้าไปหาความสบายนะเช่นนั่งเรากจ็จะก่อนเราก็นั่งตัวใหญ่นั่งก็อี้เนาะหรือนั่งโซฟานะก่อนมานั่งปฏิบัติธรรมตัวใหญ่จะนัน่งบนพื้นจิตมันก็จะคิดพอทนปวดมันเมื่อยแล้วก็ยิ้คิดถึง ความสบายที่เราเคยคิดใช่ไหมหรือบางทีปฏิบัติไปแล้วมันง่วงใจนึงก็จะดังเร่แล้วจะสู้ต่อหรือจะตกไปพักดีหรือจะกลับบ้านดีพอที่ได้ก็มีคนเนี่ยกลับบ้านเหมือนกัน mm hmm. ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ก็จะมีแบบนี้ก็เรียกภาษาพาราเรยกว่ายาณหอมเสือ mm hmm. หอมเสือหอมสาสหอมข้าวของ คืออางทีก็ทุกขไม่ไหวก็จะรีบกลับไปพักที่พักสิบางทีมันก็เป็นปวดทองต่อแบบนี้ยหละปวดทองต่ อ, อนความทนสักหน่อยคือบางทีเรานั่งปวดเมื่อยให้เล็กน้อยเราก็คนไปสักพักนึงได้ไหะพอคนพอสมควนแลปวดไม่อยมากแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะไม่ใช่เราจะเปลี่ยนไม่ได้น ะ, ะเปลีไปไ่ยนะ นั่งพับเปียกแบบนี้่แบบก็เปลี่ยนอีกท่านหนึ่งก็ได้ค่นะเปลี่ยนไปนั่งคัตมาพี ก, ก็ได้แตบบ่มีเนาะหรือว่าเพ อ, อส่วนตัวนั่งพอส่นส่วนครึค่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งละ่นะเปลี่ยนไปเลยเติโมโง่แบบนี้ก็ได้คนระับคือไม่ใช่ว่าจะต้องแบบนั่ง น, น, นานๆสองสามชั่วโมงถึงเป็นเก่งนั่งได้ครึ่งชั่วโมงไม่เก่งไม่ใช่นะนะบางคน เดินนาสองสามชั่วโมงได้แต่บางทีขณะที่เดินอาจจะไม่มีเรียกว่าได้แต่ปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพใช่ไหมเดินนานก็จริงแต่ใจก็คิดนานอแต่กอคิดนั่นคิดนี่เป็นนานเนี่ยเรียกว่าได้แต่ปริมาณไม่คุณภาพเรานั่งยกมือก็เหมือนกันอาจจะนั่งได้นาะ แต่ถ้าใจเราอคิดพุ้งสร้างเนะี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะอย่างโคตรตัณมาณบอกอาจารย์พุ่งแต่ก่อนที่วัดมีบวชเนรถ้ารู้ร้ อ, อ น, นะพ่อแม่ที่มีหลายบางเคนก็เคยพาลูกไปบวชนะบางทีถ้าตอนวันท้ายก็จะทดสอบเด็กน ะ, ะใครจะนั่งสมาธิก็ได้ใครจะนั่งย่กมือนั่งแจมก็ได้นะคล้ายสัจเกตใคร ใครมีสมาที่มีดีกว่กันนะก็อาจจะตัดโดยภายนอกประมาณว่าใครจะนั่งได้นานกว่ากันประมาณนะก็มีบางคนก็นั่งยกมือบ้างคนก็นั่งสมาธิบ้างเสร็กไลายคนก็นั่งได้เกินเกินครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนี่ก็หลายคนนะนั่งให้นั่งเกินชั่วโมงก็ก็นั่งได้หลายคนพอพอเสร็จ้็อ่ะพอละนะ อ่ได้ทํากิจกรรมอื่นก็ถามเด็กบางคนก็ไปถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็นั่งนิ่งสงบนั่งสมาธิสงบสงบประถามเด็กตัวมาณสักสิบสองสิบสามตัวนะเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยโตหนุ่สาวนะก็ถามทำไมนั่งได้นานเหลือเกินนะเด็กก็ตอบว่าก็จะได้ก็ไม่อยากตอบนะแต่ก็เหมือนขยันขยอยก็บอกเรื่องใหม่ เด็กเขาบอกว่าหนูก็นั่งร้องเพลงในใจนั่งร้องเพงในใจคงจะไปหลายเพลงนะอืมคือข้างนอกดูสงบ น, น, นะแต่ข้างในก็เป็นควาสุขแบบของเขาอะนะความสุขแบบของเขาแต่ถ้านั่งเรื่องมืสร้างจังหวัดมันจะมันก็จะช้าแต่บางทีถ้าเราไปร้องเพลงไม่กเกินเาทียาจยกิปลี่ยนท่าหรือว่า ดืมดืมที่จะหยุดนะแต่บางทีเนะี่ยบางทีพอมีการเพิ่มไหปนะบางทีเอมถ้าใครเพิ่เผลอเกินไปบุงทีก็ติดตั้งไหนก็เผลอเกินไปก็มีนะอคิดเผลอก็เลยดืมหยุดืมผ้า ก, ก็มีเพราะฉะนั้นพอมันทีท่านนั่งต่า น, นจะบัตไม่เสร็จก็ช่างชัดทำให้เราตัดความเผลอไปได้ได้บ่อยขึ้นเนาะ อาจจะไม่ใช่ว่าไม่หลงนะแต่ว่าอาจจะหลงบ้างแต่ว่าหลงสั้นๆ น, นะแล้วก็รู้สึกตัวเป็นวันนะนะอัเ น, นี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ก้อนเหงกันเห็นกันง่ายแล้วก็ช่วยกันได้คนระับเนี่ก็ราก็ดูตัวเองนนะดันดูตัวเองบนาะงทีอาจจะนั่งตามกําลังของร่างกายของเราดนะ้วยครับางคนมีปัญหาสุขภาพนะก็นั่งเต่ายก็ได้ ว่านั่งกินสัมไดได้แต่ถ้านัาง่งกิงนสัมก็ง่วงก็ต้องเอาหลัมออกมาสักหน่อยนะออกมาจากเต่าสักหน่อยทำไมจะหลับนะเพราะบางทีบางคนบอกไปไหนไปวัดเป็นนั่งสมาธิเป็นนั่งปฏิบัติธรรมแต่จริงเหลายทรั้ก็ไปนั่งหลับ <c oughs> นั่งหลับพอตกนะ ตื่นขึ้นมาเรียกวาเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จริงก็ไม่ตัดงเลยเรานอนหลับอยู่ที่บ้านนะอืแค่ไปนั่งหลับที่อื่นเฉยๆก็ได้ประโยชน์น้อยเนาะได้ประโยชน์น้อยแต่ว่าลองคู่กับมันดูนะบางีความง่วงอาจจะเกิดขึ้นะลองคู่ดููะลืมตาตโตๆอยือถ้าเดินมันก็เดินให้มันกระชับกระเฉงให้มันเรียวขึ้นะ ยกมือก็อาจจะบางทีจังหวะงงนะลงไม่ชัดๆลงหรือบางทีทำสี่ท <Group. S 1> ่าม <mismos. S 1> yes ีไม่ชัดก็ทําแค่นี้ก็ได้นะเหมือนบริหารร่างกายแบบนี้พยัญจลุ้มหรือก็ได้นะท้าในบางทีถ้ายกมือสูงๆหายใจเข้าไปเดินเงินสดชื่นก็ทำนะแล้วก็รู้สึกเปลี่ยนที่เหงื่ก็ได้ยนะหรือถัาใครใจกล้านเนี่ยไปเดินออก แนวที่กั้นตรงคอมานะอ่าบางทีบางที่มันง่วงมากมันจะเด่นเด่นนะบางทีความกลัวไปช่วยนะช่วยให้เราบางทีง่วงมากแต่จริงใจมันง่วงแต่จริงใจที่มันกลัวมันทาให้มันมีสติขึ้นมานะบางทีครูบาอาจารย์ก็เหนือนนะบางทีก็บางทีนั่งง่วงมากก็ไปนั่งดีนั่งา นั่งปฏิบัติจงหน้าขาเพราะว่าไรล้าๆถ้ามันง่วงมากมันเปิหลับเพิ่มมนตายไปเลยบทีใจที่ทิศนายนะมันถึงจะแบบเพราะบทีกล่องรักรักตัวลกวลกัวตายอ่ะมันทาให้เราคล้ายๆอ่อนแอก่อนแอคิดว่าจะไหวหรือเปล่านะหัวงงง่ายมากจะ เ, เป็นเหน็บชาขนาดแค่นี้ก็ยังเป็นเหน็บชาแล้ว เราไปเสจยไว้หวไม่น่าจะเป็นอรนารมณ์ที่าอารมณ์พาดหือเปล่านะดีใจเลยจะคิดวิ ต, ตกเกินไปน ะ, ะแต่เราก็เปลี่ยนได้นะแต่อยากให้อยู่ในจิตใจคนหนึน่งก็ให้พอสมควรหน่อยนะอย่างตักขึ้นขึ้นโมงได้ไหมอ่ ะ, อะเป็นอย่างน้อยนะจะเปนั่ง่ะดีจะเดินก็ดีมบบนี้ให้เรลองลองใช้โ อ, อกาสนี้นะับลองปฏิบัติดูนะถ้า เกิดอะไรความคิดอะไรนะหวางได้ก่อนเนาะนะให้กลับมารู้สึกกัวกายก่อนนะเป็นคิดดี้ก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่านะไม่ต้องอภิเหตผลกันมนะันนกลับมากลัมาจุดตายนะกลับมารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าใครที่นะมีสติมากขึ้นลองดูว่าให้เห็นแบบนี้นะตายก็ส่วนกัน ใจที่รู้ก็ส่วนหนึ่งลองฝึกแบบนี้ดูหรือคนใหม่นะก็ถ้าทันได้ก็ ท, ทันนะกายที่เคลื่อนไหวนะก็เป็นส่วนใจคอยดูมันสังเกตมันกนะารปฏิบัติทำเหมือนคล้ายๆเหมือนนักสังเกตนักทดลองนะนะเหมือนเราเป็นผู้ดนะูเหมือนเราดูเขาเลา่นกีฬา มันเราดูเขาเล่นละคอ น, นะครัเราเป็นผู้ดูแล้วก็ดูดูแบบเป็นผู้ดูแบบเหมือนเป็นกรรมการดูแบบเหมือนคนที่ไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมันจะมันจะมันจะยากตรงนี้แหละเพราะบาทีเราดูแล้วเราจะเผลอไปกินกับสิ่งที่เราเห็นหรือเราโคตจะโดดงิดเชีย ข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเราไปดูกีฬาบางทีถ้าอันนี้เป็นนักกีฬาที่เรารู้จักที่เราชื่นชอบหรือเป็นทีมชาติของเราเนะี่ยบางทีเราไม่รู้จักเปิดตัวนนะแต่เราก็จะเชียร์ฝั่งหนึ่งก็จะไม่เชียร์อีกฝั่งหนึ่งถ้าฝั่งหนึ่งชนะฝั่งหนึ่งได้เปรียบแต่ ร, รู้สึกมีความสุขถ้าอีกฝั่งหนึ่งเสียเกียรตอีกฝั่งหนึ่งแพ้เนี่ย เราก็จะเสียใจเป็นไห ม, มเป็นไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเราสังเกตนะโมจีเราชอบเราชอบความสุขชอบความสบายเราไม่ชอบความทุกข์เราไม่ชอบความปุมซ่าดนะเราไม่ชอบกนะิเลสที่มันโผล่ขึ้นมาพอเราคิดแบบนี้ยเราก็จะเหมือนถ้ามันสุขมันสงบเราก็จะพยายามประคอง เราพยัยามจะรักษาเราไม่รู้สึกเฉยแต่ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุาาากข์ราากขรรสนะ ร, ร้สาง เ, เกิดขึ้นมาบางทีเราไม่ชอบเราก็ยังกดเราก็ยังโขมเราก็ยังผักไม่ให้คิดไม่ให้รู้สึกแบบนี้อันนี้คือไม่รู้เฉยเฉยเนาะลองดูรู้สฉยเฉยก็คือว่าถ้าเรื่องเกิดยขึ้นมาก็ดูมันสุขทุกข์ขึ้นมาก็าดูมัน เป็นที่เราจะนั่งหรือไม่นั่งเกิดขึ้นมาก็ดูมันลองดูเฉยนะนะอาจเป็นหลงใคบ้างไม่เป็นไรนะหลงใครบ้างก็กลับมาดูใหม่อนะคล้ายเหมือนเออเราเห็นถ้าเราเห็นเส้นใจเราเสียตอเป็นปกติไปคล้ายๆเหมือนเราเชื่บิดาที่เราเริ่มร้นมากไปแล้วนะเราเริ่เคียมากไปแล้วนะเราเสียใจเกินไปนะเราดีใจเกินไปนะเราจะกลับมาเออ ให้ใจเราเป็นการนะเมื่อใจเราเป็นการเนี่ยเราจะมองสภาวะต่างๆด้วยความเป็นธรรมนะถ้าใจเราไม่เป็นการเนี่ยเราจะมองสภาวะต่างๆด้วยความอายุติธรรมนะอายุติธรรมที่จริงก็ทับมาได้คาว่าอคตินะอคติเพราะอะไรเพราะชอบอคติเพราะชังอคติเพราะโกรธอัคติเพราะกลัว บางทีเราไม่รู้ตัวนะนะไม่ใช่แค่ข้างนอกนะแต่บางทีทั้งข้างในใจใเราด้วยเนาะนะเราต้องกลมารู้ริงจรบางทีความคิดเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปตัด ส, สินมันนะก็แค่ดูเฉยๆลนะองใช้ความรู้สึกตัวสร้างสร้างเหตุตรงนี้ไปไเยอะๆ น, นะสร้างการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ใจคอยรับรู้ ถ้าใจมันคิดขึ้นมาก็ติดแค่รู้นะเป็นผู้ดูมันเป็นเจนะตจะเรียกว่าดูกายดูใจก็ได้นะดูกายแล้วก็ดูใจนะอะไรที่มันเต็มในขนาด น, นั้นเราก็ดูมันะนะถ้าจิตใจมันไม่เด็ม น, นะความคิดไม่เด็มเราก็ดูกายของเราก็รกายเราสร้างการเคลื่อนไหวตลอเวลายอยู่แล้วนะก็กามบมาหากายนะ แต่บางครั้งจิตใจเขาคิดมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นบ้างนะคําว่าเห็นนีนะ่ไม่ใช่ไปตามดูนะไม่ใช่ไปตามคิดว่าตอนนี้เรากาลังคิดอะไรพยายามไปนค้นว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนไม่ต้องแบบนั้นถ้านไม่เด็กก็ก่อนไปเลยนะก็ดูกายที่มันเคลื่อไนไหเนี่ยแต่ตามดูกายก็ก็อย่างที่ว่าสือที่ดูแบบรวกรวมนะดูแบบเหมือนว่าเดยมดู ดูโทรศัพท์ก็ดูทั้งจออย่าไปจ้องแค่น้ำเอจอย่้องแค่พระเอกดูรวมๆเราก็จะเห็นภาพัวมบางทีในตอนนั้นมันเต็มมันก็จะรู้เองอย่นั้นนะรู้สึกไหมดงภาพรู้สึกไหมไม่ต้องตั้งใจรู้ใช่ไหมไม่ต้องตั้งใจมันก็รู้ ลมพัด ก, ก็รู้สึกม่งวงก็ยังม่วงเห็นไหมเห็นไหมม่วงก็ส่วนหนึ่งลมพัด ก, ก็รู้สึกก็ส่วนหนึ่งใจชอบลมพัด ก, ก็ส่วนหนึ่งใจไม่ชอบพี่นู่วงก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันมีบางทีในขณะนึงมีหลายอย่างมากนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองดูมันแสดงนะลองดูมันแสดงเราจะตื่น ความเข้าใจตัวเองมากขึ <exercises excel> ้นเนาะก็อย่างทีพวกเราได้ใช้เวลาตัวเนี้ยเียนด้ตัวเองดูโค้ชจะสอนธรรมะคืออยู่ในการในใจของเราเนี่ยแหละดูมันว่ามันทุกข์เป็นแบบไหนเราจะพ้นจากความทุกข์ลงมาได้แบบไหนมันทุกข์กายจะไม่ทุกข์ใจเป็นแบบไหนตีใจมันเผลอไปทุกข์เราจะกลับมาจากความทุกข์ดับทุกข์ได้แบบไหน นะใช้ตัวตรงนี้เป็นประสบการณ์ลองเรียนรู้เดินนกนะคะใส่ลองทําดูผิดบ้างถูกบ้างนะมันก็เป็นประสบการณ์เท่านั้นคะรับเราใช้ที่ข้างล่างนี้เน่ะหรือข้างบนหรือว่าข้างข้างลับรอบหรือไปจะปีกไปตรงร่มร่มไม้นะ่ะในที่เป็นรูนหรือเต็มคงว่าก็ได้เนาะแต่เดี๋ยปีกเข้าห้องนลยนะเดี๋ยมันะนะจะแพ มันเป็นแผลตีปอดเือกินปาดอนาดอนอมันเป็นแผ้ฐานนะถ้าจะปีก็คือปีนะ้ารูปปฏิบัติของเราปดฐานที่นั่งเดินเป็นต้นของเราเหมือนกันนะแต่ตอนนั้น11ะนะโมง11นะโมงก็กลับมาเปนในต็นนี้คนระับให้เราได้ใช้เวลา ในการลองตึกตัวเองดูแล้วก็ลดการพูดคุยกันในโอกาสอยู่กับตัวเองนะตึกตัวเองดูประทันสบายใครจะนั่งต่อใครจะออกไปเดินที่อื่นไปนั่งที่อื่นต่อไป